มีชาวพุทธจํานวนมากเข้าใจว่าตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีการกราบไหว้พระพุทธรูปทำบุญใส่บาตรเวียนเทียนและเข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆแต่ความจริงแล้วชาวพุทธบางท่านเข้าใจและเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างผิดพลาดเพราะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ อย่างคลาดเคลื่อนจากหลักความเป็นจริงก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินขอเสนอพระรัตนไตรและอุบาสกผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อหวังว่าสื่อธรรมชุดนี้จะทำให้ ชาวพุทธมีความรู้มีความเข้าใจและความเข้าถึงในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเพื่อความตั้งมั่นในศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาสืบต่อไปจัดทมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิน ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีบุคคลหลายคนทีเดียวเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นซึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมพอได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงคนเหล่านั้นก็ประกาศตนดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอถึงพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสรณะพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์เถิดว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่า ก็นับได้ว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมมาก่อนระหว่างที่ฟังอยู่ก็ได้ทรงใจไปตามลำดับพระธรรมเทศนาพิจารณาใคร่ครวนไปแล้วเกิดปัญญาเข้าถึงเหตุผลในธรรมเล็งเห็นว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ลึกซึง้งน่าอัศจรรย์หาฟังได้ยากพ้นวิสัยของาศาสดาในลัทธิของาศาสนาอื่นๆ ที่จะอย่างรู้และแสดงได้เมื่อเห็นดังนี้แล้วเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งในพระธรรมที่พระองค์ทรงอย่างรู้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระปัญญาอย่างรู้ธรรมที่ลึกซึงนั้นแล้วก็ยังทรงสามารถแสดงให้ผู้อื่นฟังจนเกิดปัญญาได้และในพระสงฆ์สาวกผู้ได้สดับแล้วได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงอนุาสาดไว จนเป็นผู้มีส่วนรู้ธรรมเห็นธรรมได้เช่นเดียวกับพระองค์คนเหล่านั้นเมื่อเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเปี่ยมล้นในรัตนะทั้งสามอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเลิกละการนับถือลัทธิศาสนาเดิมของตนในขณะนั้นทีเดียว เขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมะก่อนเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็เกิดปัญญาเห็นเหตุเห็นผลในธรรมที่ฟังนั้นแล้วจึงเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งเป็นศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาแปลว่าความเชื่อหรือความเลื่อมใสในการตรัสรู้แห่งพระตถาคตเมื่อศรัทธาอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเทียวก็ชื่อว่า ถึงแล้วซึ่งไตรสรณะเขานั้นจะมีการเปล่งวาจาประกาศตนก็ตามไม่มีการเปล่งวาจาอย่างนั้นก็ตามเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้เกิดขึ้นก็ล้วนชื่อว่าเป็นผู้ถึงไตรสรณะคมทั้งนั้นถือเอาจิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสเป็นประมาณนี้แหล ส่วนในสมัยปัจจุบันนี้การถึงสารณะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายส่วนมากเป็นไต่เกี่ยวกับพิธีการคือในคราวที่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนานั้นแล้วพอพระท่านกล่าวนำก็ว่าตามท่านไปว่าพุทธังสรนังข้าฉามิเป็นต้นกล่าวคำเพียงเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เป็นการประกาศตนว่าเป็นผู้ถึงไตรสรณะแล้วก็เมื่อยังไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฟังธรรมจนเกิดปัญญาก็เป็นธรรมดาว่าย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าใครคือพระพุทธเจ้าสิ่งใดคือพระธรรมผู้ใดคือพระสงฆ์รวมทั้งไม่รู้ว่าคำว่าสรณะนั้นมีความหมายว่ากไกลเมื่อเป็นเช่นนี้ การถึงสระณะของเขานี้จึงเพียงแค่ปากว่าไปเท่านั้นเป็นเพียงแค่บัญญัติเป็นเพียงแค่ภาษาเป็นเพียงแค่โวหารเท่านั้นไม่มีการถึงจริงๆเพราะไม่ได้เกิดศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า ใครคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นแหละก็ย่อมเกิดความสำคัญผิดๆในบุคคลผู้มีคุณวิเศษอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุณวิเศษอันเป็นของท่านผู้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าในสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมว่าเป็นพระธรรมในบุคคลผู้ที่หาคุณสมบัติของความเป็นพระสงฆ์มิได้ว่าเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนั่นแหละแม้มีศรัทธามีความเลื่อมใสเกิดขึ้น ก็หาชื่อว่าเป็นศรัทธาเป็นความเลื่อมใสในพ้ารัตนตรยไม่ก่อแลบุคคลผู้มีศรัทธาความเลื่อมใสผิดๆอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถึงไตรสนณคมเลยบางคนเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเหนือกว่ามนุษย์ปกติธรรมดา ทำนองคล้ายกับเป็นเทวดาซึ่งมีฤธิ์มีอนุภาพลึกลับสามารถทำคุณให้โทษแก่คนทั้งหลายได้เห็นได้จากการที่เขาแสดงความนอบน้อมนับถือโดยการตั้งเครื่องเส้นไหว้เป็นประจำเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระพุทธรูปวางประดับไว้อย่างมากมายด้วยความสำคัญว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการเส้นสวงบูชาพระพุทธเจ้า เป็นการทำให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานโดยผ่านทางพระพุทธรูปหรือรูปเคารพเมื่อทรงโปรดปรานแล้วก็จะใช้พระอนุภาพบรรดาลตนให้เกิดความสุขสิ่งที่น่าปรารถนาแก่ตนป้องกันทุกภัยที่ไม่น่าปรารถนาแก่เขาได้อย่างนี้เป็นต้นการกระทําอย่างนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าหาได้รู้จักพระพุทธเจ้าแท้จริงไห เพราะเหตุที่ตนไม่รู้จักนั่นแหละแม้นเขาจะกราบไ่ว้ยอยู่ก็ชื่อว่ากราบไหว้รูปเคารพเท่านั้นไม่ชื่อว่ากราบไหว้พระพุทธเจ้าเลย นหนึ่งแม้การกราบไหว้พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ก็ดีต้นโพก็ดีก็หาชื่อว่าเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรนะไม่อย่างนั้นเหมือนกันการเห็นตู้ซึ่งบรรจุพระไตรปิฎกหรือหอพระไตรปิฎกก็ดีได้ยินเสียงพระภิกษุสงฆ์สาธยายพระพุทธมนตหรือท่องจำพระปริยัติก็ดีแม้กราบว่ายอยู่ก็หาชื่อว่า เป็นผู้ถึงธรรมด้วยการกราบไหว้นั้นไม่พบเห็นพระภิสุสงรูปใดรูปหนึ่งแม้ว่าท่านจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วกราบไหว้ก็หาชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะด้วยการกราบไหว้นั้นไม่คนเหล่านี้แม้จะอ้างว่าตนเป็นผู้ถึงพระรัตรนตรัยว่าเป็นชรณะแล้วกราบว่าอยู่ก็หาได้เป็นผู้ถึงพระรัตรนตรัยอย่างแท้จริงนั้นไม่ เพราะการกราบว่าอยู่ด้วยใจที่เลื่อมใสผิดๆอันเนื่องมาจากการไม่รู้จักพระรัตนตรยัยตามความเป็นจริงนั่นเองสำหรับบุคคลที่รู้จักพระพุทธเจ้า รู้จักพระธรรมและพระสงฆ์ดีแม้จะไม่มีการจัดโต๊ะหมูบูชาไว้ประจําบ้านเลยแม้เพียงโต๊ะเล็กๆเท่านั้นเขานั้นมีจิตใจเลื่อมใสในกุณนนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นศระณะอย่างแท้จริงนั่นเถยวในเวลานั้นการกราบไหว้พระรัตนตรยัยหรือสิ่งแทนพระรัตนตรยัย อัน <I> เป็นเครื่องให้ละลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยมีพระพุทธรูปพระเจดีต้นโพเป็นต้นอยู่ก็ตามไม่มีโอกาสจะทําอย่างนั้นก็ตามแม้นเมื่อมีจิตใจเลื่อมใสนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณ ะ, ะนั้นเทียวไม่ว่าการไหนไหนก็ตาม ต อ, อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมามากแม้นจนถึงชาติสุดท้ายที่เรียกว่าพระเวสสันดรแม้ในการนั้นจะมีเหตุการณ์อันนาอัศจรรย์แผ่นดินไหวสะเทือนลั่นเพราะแรงสาธุการของเทวดาทั้งหลายก็ตามพระองค์ก็ยังชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า ก็ยังไม่อุบัติในโลกจนเมื่อถึงแม้จะเป็นเจ้าชายสุทธถะสละราชสมบัติพร้อมทั้งชายาและโอรสเสด็จออกมหาพิเนศกลมทรมาณร่างกายถึงหปีก็ตามนี้ก็ยังชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นต่อเมื่อได้บรรลุที่ใต้ต้นสีมหาโพตรัสรุอริยสัจสีบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกนี้แหละ จึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายแม้นว่าล้วนเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจสีเช่นเดียวกับพระองค์ก็จริงถึงกระนั้นการตรัสรู้ของท่านเหล่านี้หามีความพิเศษเกี่ยวกับ เป็นการเป็นเหตุนำมาซึ่งยานพิเศษทั้งหลายมีอินรียะประโรปริยะติยานคือยานกำหนดรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินรีของสัตว์ทั้งหลายสพันยุตยานยานอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นที่จะใช้เป็นอนุศาสตร์ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมแก่อุปนิสัยของเขาไม่เพราะท่านเหล่านี้ไม่ได้สั่งสมบุญญาธิการมาเพื่อจะโปรดศัพท์ ส่วนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งยานพิเศษเหล่านี้ด้วยเพราะทรงสั่งสมบุญญาธิการมาเพื่อความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะโปรดค้นสัตว์ให้ออกจากวัะสงสารนั่นแล ส่วนธรรมรัตนนั้นท่านหมายถึงสิ่งประเสริฐ ท, ที่บุคคลใดก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้บุคคลนั้นได้พ้นจากกองทุกข์คือทุกในอบายเป็นต้นได้อย่างแน่นอนได้แก่พระโล ก, กุตรธรรมเก้าคือมัคสี่ผนสีนิพพานหนึ่งรวมทั้งพระปริยติธรรมซึ่งได้ชื่อว่าธรรมเพราะภาวะที่ทรงไว ทรงไว้อย่างไรทรงบุคคลผู้ประพฤตินั้นแหละไม่ให้ตกไปในกองทุกข์ทั้งหลายนั่นเองส่วนหนทางในการบรรลุนั้นท่านเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้อย่างสมบูรณ์ย่อมได้บรรลุพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์รมเหล่าใดที่เป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้แหละชื่อว่าธรรมรัตนะส่วนสังครัตนะนั้นท่านหมายถึง พระอริยบุคคลทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอระหันต์ซึ่งเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าพระสงฆ์เพราะมีความหมายว่าทัดเทียมกันความทัดเทียมกันแห่งทิฏฐิและศีลดังนี้คือพูดง่ายๆว่าท่านมีทิฏฐิคือความเห็น และมีศีลทัดเทียมกันเสมอกันท่านจึงชื่อว่าพระสงฆ์อันหนึ่งท่านเหล่านี้ได้ชื่อว่าพระอริยะเพราะมีความหมายว่าไปจากอริคือกิเลสคือไปไกลแสนไกลจากกิเลสทั้งหลายที่ท่านละได้แล้วโดยประการที่ไม่ต้องหวนกลับมาหากิเลสนั้นอีกเลย ส่วนสง์ตามพระวินัยบัญญัตินั้นหมายเอาผู้เป็นบรรพชิตผู้ได้รับการอุปสมบทแล้วเท่านั้นไม่ได้รวมเอาคารวาส ด, ด้วยส่วนสง์ที่เป็นรัตนะหนึ่งในรัตนนี้เรียกว่าสังฆรัตนะนั้นถือเอาคุณธรรมคือความเป็นพระอริยบุคคลเป็นสําคัญไม่ได้ถือเอาเพศคือความเป็นบรรปะชิตเท่านั้นดังนี้จึงมีทั้งเป็นเพศบรรพชิตและคารวาส ในสมัยพุทธกาลปัญญาชิตที่เป็นพระอริยบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระสารีบุตรท่านพระมหาโมฆลลานะท่านพระอานนท์เป็นต้นคารวาทที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นก็มีหลายท่านเช่นนางวิสาขาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจิตตะคารหบดีพระเจ้าพิมพิสารพระอริยสงฆ์ที่นับว่าเป็นสังฆรัตนนี้ ซึงมีทั้งบรรปะชิตและทั้งครวาดคุณธรรมที่น่ายกย่องของพระอริยบุคคลทั้งหลายคือความสิ้นกิเลสความสิ้นทุกข์หาใช่ความเป็นผู้วิเศษมีตาทิพหูทิพมียานอย่างรู้ล่วงหน้าไม่เพราะแม้แต่บุตุชนคนมีกิเลสหนาก็ยังได้ฌาน สำเร็จอภิญยามีตาทิพหูทิพเหาะเฮินเดินอากาศได้เช่นกันในสมัยก่อนพุทธกาลก็มีเหมือนกันดังนั้นสังครตนนั้นท่านเอาหมายถึงความสิ้นกิเลสเป็นสำคัญหาใช่ด้วยอภิญยาไม่ บุคคลบางคนต้องการอยากทำบุญกับพระอริยสงฆ์เพราะหวังอยากจะได้บุญมากโดยไม่ยอมทำบุญทำกุศลกับบุคคลธรรมดาคนสัตว์ทั่วไปเลยบุคคลใดแสวงหาพระอริยบุคคลทั้งหลายเพื่อจะถวายปัจจัยจะทำอะไรอะไรแก่ท่านแม้นว่าพบท่านผู้เป็นพระอริยบุคคลแท้จริงก็ตามแต่แต่ถ้าหากว่าถวายแก่ท่าน เพราะเห็นแก่ผลตอบแทนเป็นสำคัญมิได้เห็นความเป็นผู้มีคุณธรรมสูงที่น่ายกย่องน่าบูชาด้วยปัจจัยสี่เป็นต้นอย่างนี้แล้วเห็นสำคัญแล้วไซบุคคนนั้นหาชื่อว่าได้ถวายอย่างที่แรงเห็นว่าท่านเป็นสระณะอย่างนั้นแท้จริงไม่เพราะไม่มีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของท่านพระอริยบุคคลหรือว่าจิตที่เลื่อมใสในคุณธรรมนั้นไม่มีกาลัง ไม่ออกหน้าเป็นประธานในเวลานั้นความอยากในโลภะด้วยอนิสงส์ต่างหากที่ออกหน้าเป็นประธานแท้จริงแล้วท่านที่เป็นพระอริยบุคคลจริงๆท่านจะไม่แสดงตนว่าฉันเป็นพระอริยบุคคลเพราะว่ากิเลส คือความโอ้อวดนั้นถูกท่านละไปได้สิ้นแล้วพระอริยะบุคคลด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยบุคคลแท้จริงเราผู้เป็นปุถุชนไม่อาจจะยังรู้ได้ จิตที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถูกต้องนี้แหละจึงชื่อว่าถึงสระคมหรือการถึงสรณะเมื่อมีคำเฉลยเป็นอย่างนี้การถึงสรณะนี้จึงไม่ใช่ยอยู่เพียงแค่ปากเปล่งวาจาว่าพุทธังสระนังคาฉามิทำมังสระนังคาฉามิสังขังสระนังคาฉามิ ผู้ใดก็ตามถ้าหากไม่มีใจเลื่อมใสแม้ปากจะว่าไปสักหนึ่งรครั้งสักพันครั้งหรือแม้นยิ่งกว่านี้ก็หาชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสาระคมไม่และโดยทํานองเดียวกันนั้นหากมีจิตใจเลื่อมใสแม้นจะไม่มีการเปล่งวาจาออกมาว่าพุทธังสารนังคาฉามิก็ตามก็ชื่อว่ามีสาระคมนั้นทีเดียว กล่าวอย่างง่ายๆว่าถือเอาใจที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงโดยสภาวะของศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเอง สรรนคมมีสองประเภทด้วยกันคือสรรนคมประเภทโลกุตระซึ่งเป็นของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นจริงอยู่ในขณะที่ท่านเหล่านี้ทำมรรคให้เกิดขึ้นมรรคจิตคือจิตที่พร้อมเพรียงด้วยองค์มรรคแเหล่านั้นย่อมเป็นไปพร้อมกับศรัทธาความเชื่อความลื่อมใสล้วมเป็นโลกุตระธรรม มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้ศรัทธาของท่านย่อมมั่นคงยิ่งไม่มีอะไรมาทำให้วันไหวได้ดุดภูเขาหินที่พายุร้ายไม่อาจทำให้โอนเอ็งได้ฉนั้นข้อที่ว่าจะทำให้คลางแคลงใจในพระพุทธเจ้าคลางแคลงใจในพระธรรมคลางแคลงใจในพระสงฆ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลนี้นอกจากจะมีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวแล้วการจะเปลี่ยนใจนับถือาศาสนาอื่นนั้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เช่นเดียวกันส่วนชรณคมประเภทโลกิยะเป็นของปุตุชนทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ได้ดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือเรียนปริยัติแล้วเกิดศรัทธาในคุณของพระรัตนตรยเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามีความเห็นอย่างถูกต้องในพระรัตนตรยนั้นสาระคมประเภทโลกิยะนี้มีความสำเร็จได้โดยอาการสี่อย่างคือ 1. โดยการมอบตนถวาย 2. โดยการนับถือทำพระรัตนตรัยนั้นเอาไว้ในเบื้องหน้า 3. โดยการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ 4. โดยการกราบไหว้ การมอบถวายตนนั้นได้แก่การสละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบถวายตนแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ที่ชื่อว่าความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าได้แก่ความเป็นผู้มีพระรัตนตรยัเเรรตตรยเป็นไปอย่างนี้ว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นเบื้องหน้าขอท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ดังนี้ที่ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นสิทธินั้นได้แก่ การเข้าถึงความเป็นสิทธ์อย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นอันเตวาศิทธ์เป็นสิทธ์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ขอท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ดังนี้ที่ชื่อว่าทำความนอบน้อมกราบไหว้นั้นได้แก่การทำความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอกระทําอภิวาทการลุกขึ้นรับอันชลีกรรมสามีจิกรรมแต่วัตถุสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ดังนี้เมื่อทําอาการสี่อย่างนี้แม้นอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นอันรับสรณะคมแล้วทีเดียว การทำความนอบน้อมหรือการกราบไหว้นั้นมีด้วยอำนาจสี่อย่างคือ 1. ด้วยอำนาจแห่งญาติ 2. ด้วยอำนาจแห่งภัย 3. ด้วยอำนาจแห่งอาจารย์ 4. ด้วยถือว่าเป็นทักคินายบุคคลในสี่อย่างนั้นสารณคมย่อมมีได้ด้วยการทำความนอบน้อมกราบไหว้เพราะเห็นว่าเป็นทักคินายบุคคล มิใช่ด้วยอาการสามอย่างคือไม่ใช่ด้วยอำนาจแห่งญาติแห่งภัยและอาจารย์ด้วยว่าสรณคมผู้ใดเป็นสากยะก็ตามเป็นโกริยะก็ตามไหว้ด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระญาติของเราดังนี้สารนี้ย่อมไม่เป็นอันผู้นั้นรับเลยผู้ใดไหว้ด้วยความกลัวว่าพระสมณะโคดม เป็นผู้ที่พระราชาบูชามีอนุภาพมากแม้นเราไม่ไวหว้ไม่บูชาจะพึงทำความพินาาให้แก่เราได้ดังนี้สารณะนี้ย่อมเป็นอนผู้นั้นไม่รับได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ใดระลึกนึกถึงอะไรอะไรที่ตนได้เคยเล่าเรียนในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า สมัยที่เป็นพระพุทธิสัตว์ก็ดีสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีด้วยการไหว้คิดว่านี้เป็นอาจารย์ของเราดังนี้สรานะแบบนี้ย่อมไม่เป็นอันผู้นั้นรับไว้เหมือนกันแต่ผู้ใดไหว้ด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นอัครทักษิณายบุคคลในโลกสรณนะแบบนี้ย่อมเป็นผู้นั้นรับไว้อย่างแท้จริง ผู้ที่รับสารณะอย่างนี้แล้วเป็นอุบาสกก็ตามเป็นอุบาสิกาก็ตามไหว้ญาติแม้นบวชในพวกอนุ ญ, ญาตเดลถีด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นญาติของเราดังนี้สารณะคมไม่ขาดจะปวยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ที่ไม่ได้บวชไหว้พระราชาด้วยอำนาจของความกลัวธรรมดาว่าพระราชานั้นเพราะเขาบูชากันทั่วประเทศเมื่อเราไม่ไหว้พระราชา จะพึงทำความพินาศแก่เราดังนี้ก็เหมือนกันแมน้นไหวเดรถีผู้สอนศิิปะยังได้อย่างหนึ่งด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราสรณคมก็ไม่ขาดพึงทราบประเภทแห่งสรณนคมด้วยประกาศนนี้ อุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้ในพะรัตนาไตรนั่นคือนั่งใกล้ต่อพระพุทธเจ้านั่งใกล้ต่อพระธรรมนั่งใกล้ต่อพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามีศีลเท่าไหร่แก่ว่ามีเจตนาเครื่องงดเว้นบาปธรรมหประการอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนมหานามะด้วยเหตุใดแลอุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นผู้งดเว้นจากอะธินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารจากมุสาวาทจากดื่มน้ำเมาคือสุราและเมไยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนมหานามะอุบาสกย่อมมีศีลด้วยเหตุนี้แลถามว่ามีอาชีวะอย่างไรแก่ว่าอุบาสกละเว้นการค้าขายที่ผิดห้าอย่าง เลี้ยงชีพโดยธรรมโดยเหมาะสมสมจริงดังที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายการค้าขายห้าอย่างอุบาสกไม่พึงกระทำห้าอย่างดังนี้คือขายศาสตราอาวุธขายสัตวขต์ขายเนื้อขายน้ําเมาขายยาพิษดูกรพิสูจน์ทั้งหลายการค้าขายห้าอย่างเหล่านี้แลอุบาสกอุบาสิกาไม่พึงกระทำ ถามว่ามีวิบัติอย่างไรแก่ว่าศีลวิบัติและอาชีววิบัตินั้นแหละเป็นวิบัติของอุบาสกอีกอย่างหนึ่งกิริยาที่เป็นเหตุให้อุบาสกนี้เป็นผู้ต่ำช้ามัวหมองเลวสามแม้นั้นพึงทราบว่าก็เป็นวิบัติของอุบาสกเช่นเดียวกันดูก่อนพิสุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการ ย่อมเป็นอุบาสกต่ำช้าเป็นอุบาสกมัวหมองเป็นอุบาสกเลวสามทำห้าประการชนิดคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ทุศีหนึ่งเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวคิดเชื่อเรื่องมงคลไม่เชื่อเรื่องกรรมหนึ่งสแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาหนึ่งไม่บำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาหนึ่งดังนี้ ส่วนสมบัติของอุบาสกนั้นก็คือเป็นผู้มีศีลสมบัติมีอาชีวะสมบัตินั่นแหละอุบาสกประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสกปทุมเป็นอุบาสกบุญทริกธรรมห้าประการนี้มีอะไรบ้างคือเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์หนึ่งไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อมงคลหนึ่ง ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาหนึ่งบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาหนึ่งดังนี้ถึงแม้นว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาคมอย่างเดียว แต่เป็นผู้ไม่มีศีลเป็นคนทุศีลโอกาสที่จะไปสู่อาบายภูมิคือนรกนั้นก็มีได้มากเป็นความจริงว่าบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วก็ตามแต่เป็นคนทุศีลตายแล้วเข้าถึงนรกอาบายภูมินั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นศีลก็นับว่าเป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่อุบาสกอุบาสิกาพึงรักษาบุคคลจะรักษาศีลได้นั้นก็ต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษคือมีหิริโอตตปะมีความเกรงกลัวและอายต่อบาปการที่จะรู้ได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะการฟังธรรมนั้น เป็นเหตุให้บุคคลได้เกิดปัญญาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาความรอบรู้ในเรื่องศีลย่อมเป็นเหตุให้เขารักษาศีลได้โดยบริบูรณ์ไม่บกพร่องเพราะรู้จักเสพปัจจัยที่เรียกว่าเป็นอุปการะแก่ศีล มีกลยุทมิตรเป็นต้นและลีกห่างจากปัจจัยที่สร้างความทุศีลมีมิชั่วเป็นต้นอันหนึ่งแม้บางคราวจะผิดศีลข้อนั้นๆบ้างเพราะความเผลอเลอสติก็รู้จักทำศีล น, นั้นให้กลับคืนมาใหม่เพราะเหตุนั้นจึงเป็นผู้มีปกติมีศีลนั่นแลก็จิตที่ประกอบด้วยศรัทธาในพระตถาคตนั่นเองเป็นสรณคมของผู้นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่าเพราะสระคมเป็นปัจจัยจึงมีเฮริโอตปะเพราะหิริโอตปะเป็นปัจจัยจึงมีศีลเพราะศีลเป็นปัจจัยจึงมีการเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์ชนี แ, แล วิธีอบรมฮิริโอต ป, ปะให้มีกำลังและเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือการทำใจน้อมไปนในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้ว่าอิติปิโสภะควาอารหังเพราะแม้นเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์เป็นต้นคุณธรรมของพระธรรมที่ว่า สว่าขาโตพระควตาธรรมโอพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วเป็นต้นคุณของพระสงฆ์ที่ว่าสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นคุณทั้งสามเหล่านี้เป็นต้นย่อมปรากฏชัดอยู่โดยความหมายแก่ผู้ที่สดับธรรมหรือ เปลียนพระปริยัติอยู่บ่อยๆก็การระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆย่อมเป็นเหตุทำให้ใจน้อมไปในคุณเหล่านั้นบุคคลผู้มีใจน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นย่อมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่เบื้องหน้าตนตนกําลังหมอบกราบอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าพระธรรม ประดิษฐานอยู่บนศีรษะของตนตนกำลังเทิดทูนอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าพระสงฆ์จะริกนำหน้าตนตนกำลังติดตามไปอยู่ข้อนี้ทำให้หิริโอต ป, ปะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ใครเป็นความมัวหมองแห่งสาระคมสาระคมประเภทโลกิยะเท่านั้นมีโอกาสมัวหมองได้เพราะปุตุชนยังมีกิเลสหนาแล้วก็สร้างความมัวหมองแก่สาระคมได้ส่วนสาระคมประเภทโลกุตระหาความมัวหมองไม่ได้เลยเพราะพระอริยบุคคลต่างๆนั้นท่านได้บรรลุคุณชาติที่เกิดขึ้นแล้ว ก็กำจัดกิเลสอันสร้างความมัวหมองแห่งสรณะคมนั้นมีผู้ที่มีสรณะคมเป็นจำนวนมากมีแต่ศรัทธาแต่เพราะเป็นศรัทธาที่เกิดจากการเรียนธรรมะไว้ไม่ดียังมีการถือเอาผิดผิดเพราะเหตุนั้น เมื่อจะกล่าวชมถึงพระตถ า, าคตด้วยความชื่นชมยินดีสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งก็กล่าวด้วยอำนาจแห่งศรัทธาแต่เพราะเรียนไม่ดีก็ถือเอาผิดๆนั่นแหละอย่างเช่นพระพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์ให้ข้ามวัตตะสงสารบัดนี้พระองค์อยู่ในแดนสุขาวดีอันมีตัวมีตนมีพระอรันตสาวกต่างๆมากมายอยู่ในแดนสุขาวดีอันเป็นตัวเป็นตนนั้น คำกล่าวอย่างนี้ก็ชื่อว่ากล่าวสันเสริมพระพุทธเจ้าอย่างผิดๆเช่นเดียวกันชื่อว่ากล่าวตู่ตถาคตดังนี้แล้วสระคมของเขาเป็นสระคมที่มัวหมองเพราะมีมนทินดังนี้อะไรเป็นความแตกความทำลายแห่งสระคม สระคมประเภทโลกุตระของพระอริยบุคคลต่างๆนั้นหาความแตกทำลายไม่ได้เลยจริงอย่างนั้นจําเดิมแต่การได้บรรลุมรรคผลกระทาพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายจะเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในระรตะนตรัยเป็นแน่นอนส่วนสระคมประเภทโลกิยะนั้นย่อมสามารถถูกแตกทาลายได้ ซึ่งมีสองประการด้วยกันคือแตกทำลายอย่างมีโทษและไม่มีโทษการแตกทำลายอย่างมีโทษเป็นไนได้แก่ความเสื่อมสิ้นศรัทธาในพระรัตนตรยัยเปลี่ยนใจไปนับถือเลื่อมใสในศาสดาอื่นคำสอนของศาสดาอื่น และสาวกของศาสดาอื่นนั้นเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนหันเหจากพุทธศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นแม้ไม่ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนศาสนาแต่การมองเห็นว่าศาสดาในลัทธิศาสนาอื่นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณวิเศษเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือดำรงอยู่ในฐานะที่เสมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะ ที่ศาสดาในลัทธิศาสนาอื่นประกาศว่าเป็นของดีประเสริฐเสมือนกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเห็นสาวกหรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นว่าเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าบูชาเสมือนกับพระพิสุสงในพุทธศาสนาการเห็นอย่างนี้ก็นับว่ามีความแตกทาลายแห่งสาร ะ, ะคมนั้นแล้ว มีผู้ที่อ้างตนว่านับถือพระพุทธศาสนาหลายคนทีเดียวกล่าวอย่างนี้ว่าศาสดาองค์นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งศาสดาองค์นั้นๆก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนเมือนกันบางท่านกล่าวว่าศาสนาทุกๆศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีนั่นแหละเพราะต่างก็สอนให้ไปถึงจุดชัยเป้าหมายคือพระนิพพานเหมือนกันนั่นแหละ คำกล่าวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้เป็นคนที่ไม่มีสาระคมเลยมาตั้งแต่ต้นหรือบางคนก็แตกทำลายมาแต่เก่าก่อนแล้วเพราะเกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าชาพุทธผู้มีสระนคมทั้งหลายไม่ควรกราบไหว้ศาสดาอื่นคําสอนของศาสดาอื่นนักบวชหรือสาวกของศาสดาอื่นแต่ประการใดไม่ก็แลการกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้บูชาแม้บุคคลนั้นจะเป็นใครก็าตามย่อมเป็นกิจที่ควรทำสำคัญอยู่ที่ว่ากราบไหว้อยู่ในฐานะไหนด้วยความรู้สึกนึกคิดอย่างไร สรณคมนั้นจึงจะนับได้ว่าไม่แตกทําลายกราบว่าอยู่ในฐานะไหนความรู้สึกนึกคิดอย่างไรถ้าหากว่ากราบไหวเพราะเห็นว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเพราะความเกรงกลัวแล้วไซสรณคมของผู้นั้นก็ชื่อว่ายังไม่แตกทําลาย บุคคลที่แตกจากสรสนาคมอย่างมีโทษนี้โทษนั้นเป็นไฉนคือทำให้บุคคลนี้ไม่มีโอกาสได้เกิดมาในแดนของพระพุทธศาสนาเกิดอยู่ในที่ห่างไกลาจากพระรัตนตรัยหรือแม้นว่าได้เกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่จะสามารถมีความเข้าใจในพระธรรมในพระสงฆ์หรือแม้นว่าได้พบพระพุทธเจ้าก็ตาม ก็ไม่ชื่อว่าได้เห็นกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะไม่มีจิตเลื่อมใสเป็นพิเศษนั้นส่วนบุคคลพูดถึงความแตกแห่งสรณะณคมอย่างไม่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรก็ความแตกทาลายไปอย่างไม่มีโทษนั้นก็คือแตกไปพร้อมกับความตายนั่นเองเพราะความตายเป็นความดับและความสิ้นสุดขาดสายแห่งชีวิตแต่ถึงกระนั้นก็ตามบุคคลนั้น ก็พึงหวังได้ว่าได้มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีกได้พบกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอีกซึ่งข้อนี้เป็นเหตุทาให้ตนได้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นผู้มีสระคมสืบต่อไป ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเรื่องอุบาสกผู้มีศีลเป็นที่รักดังมีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้ อุบาส ก, าสกชื่อจักกนะจักกนะอุบาสกจัดได้ว่าเป็นอุบาสกแท้จริงท่านหนึ่งในเกาะลังกานอกเหนือจากจะถึงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วท่านยังมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ที่สมบูรณ์อื่นๆอีกคือมีศีลสมบัติมีอาชีวะสมบัติไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องกรรมไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องศีลสมบัติของท่านนี้น่ายกย่องและควรแก่การเป็นแบบอย่างของชาวพุทธเรื่องหนึ่งดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ณชนบทอันไกลในแดนลังกาสมัยเมื่อจักกนะอุบาศกยังเป็นเด็กอยู่มารดาของท่านได้ป่วยหนักใกล้ต่อความตายจักกนะเด็กน้อยและพี่ชายยืนใกล้เตียงของมารดาพร้อมกับหมอซึ่งกำลังตรวจดูอาการของโรคสักพักหนึ่งหมอก็ได้ทอดหายใจกล่าวขึ้นว่า ออาการป่วยของมารดาพวกเจ้าเนี่ยหนักหนาไม่สู้ดีนักอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้ทุกขณะแต่ถ้าหากว่าได้เดนเนื้อกระต่ายสดๆนำมาปรุงเป็นยาก็จะสามารถช่วยชีวิตมารดาของพวกเจ้าได้เลยทีเดียวบัด น, นี้มีเวลาไม่มากนักใครสักคนหนึ่งจะออกไปหากระต่ายเป็นๆสักตัวหนึ่งจะได้ไหม พี่ชายหันมากล่าวกับจักกณะผู้น้องว่าน้องไปหากระต่ายที่ปลายนาโน้นเถอะพี่และหมอจะคอยเฝ้าดูแลพยาบาลแม่ทางนี้เองจักกณะผู้น้องเมื่อได้ทราบจากหมอว่าชีวิตมารดาของตนใกล้ต่อความตายมีจิตคิดจะช่วยชีวิตมารดาเป็นที่สุดเมื่อพี่ชายสั่งดังนี้จึงไม่รอช้า รีบวิ่งไปด้วยเท้าเปล่าตามกำลังของเด็กไปที่ปลายนาซึ่งมีระยะทางไกลพอสมควรเพราะกลัวการจากไปของมารดาจักรณะเด็กน้อยซึ่งวิ่งไปด้วยเท้าเปล่าพร้อมกับน้ำตาหนองหน้าได้รำพึงรำพันอยู่ในใจว่าแม่จา๋าอย่าเพิ่งด่วนจากหนูไปเลยหนูจะช่วยชีวิตแม่ให้จงได้ ที่ปลายนาแห่งนั้นกระต่ายตัวหนึ่งกําลังกินข้าวกล้าอ่อนอยู่เมื่อจักรณะวิ่งมาถึงเสียงฝีเท้าทําให้กระต่ายตกใจกระโดดวิ่งหนีแต่เผอิญว่ากระต่ายได้วิ่งไปพันกับเถาวันดิ้นรนและส่งเสียงร้องเพราะหนีไปไม่ได้จักรนณะ จึงจับกระต่ายยกขึ้นด้วยความดีใจคิดว่าดีละบัตรนี้เราสามารถนำกระต่ายไปปรุงเป็นยารักษาแม่ให้หายป่วยได้มีชีวิตรอดได้แล้วอาการดิ้นรนอย่างแรงและเสียงร้องอันดังของกระต่ายตัวนี้ ดูเหมือนสะดุ้งสะเทือนจิตใจของจักกณะเป็นอย่างมากคงเพราะการสั่งสมศีลกุศลของจักกณะแต่ชาติปางก่อนจกนะักกณะแม้นจะเป็นเพียงเด็กน้อยก็ตามแต่ก็ได้เกิดความคิดฉับพลันขึ้นมาว่าข้อที่เราจะโปรงชีวิตสัตว์อื่นเพราะเหตุแห่งการช่วยชีวิตของมารดาของเรานั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยสัตว์ทุกชนิดรักตัวกลัวความตายแม้ตัวเราเองก็เช่นกันหากมีใครจะฆ่าเราเพื่อประสงค์จะนําไปเป็นยาหรืออาหารเพราะเหตุแห่งการช่วยชีวิตผู้อื่นผู้ใดก็ย่อมไม่สมควรเช่นกันหากเราปรงชีวิตฆ่ากระต่ายตัวนี้ชื่อว่าเราได้เสียศีลแม้นเราจะนํากระต่ายตัวนี้กลับไปที่เรือน พี่ชายของเราก็ต้องโปรงชีวิตกระต่ายตัวนี้ศีลก็จะขาดไม่ใช่ว่าเราไม่รักมารดาของเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ซึ่งซึ่งพระคุณของมารดาที่มีต่อเราแต่การกระทำผิดศีลเพราะเหตุแห่งลาบผิดศีลเพราะเหตุแห่งยศผิดศีลเพราะเหตุแห่งญาติผิดศีลเพราะเหตุแห่งอวัยวะผิดศีลเพราะเหตุแห่งชีวิตของตน อย่าว่าแต่เราจะไม่ยอมเสียศีลเพราะเหตุแห่งมารดาของเราเลยแม้นชีวิตของเราจะรอดตายด้วยการปลงชีวิตสัตว์อื่นนั้นก็ยังไม่สมควรแก่เราเลย จักณะเด็กน้อยแม้นจะเป็นเพียงเด็กแต่ก็ยังปรารบใครในศีลถึงเพียงนี้ดังนี้แล้วยกชูกระต่ายที่อยู่ในมือพลางพูดกับกระต่ายว่าขอให้เจ้าจงเป็นอิสระกลับไปยังถิ่นของเจ้ากินหญ้ากินน้ำอยู่อย่างผ้าสุกเถิดจักณะเด็กน้อยได้ปล่อยกระต่ายเข้าป่าไปส่วนตนนั้น ก็ได้รีบวิ่งกลับไปยังเรือนของตนพี่จา๋าน้องกลับมาแล้วจะกรณะน้องพี่เจ้าได้กระต่ายมาแล้วใช่ไหมเออชีวิตแม่เนี่ยรอเจ้าอยู่น้องจับกระต่ายมาได้ก็จริงแต่ก็ได้ปล่อยมันไปแล้ว อะไรนะจกนะักรณะนี่นี่เจ้าคิดอะไรของเจ้าไปเป็นบ้าไปแล้วหรือว่าอย่างไรหรือว่าเจ้าไม่รักแม่ไม่รู้ซึ้งซึ่งพระคุณของแม่ที่มีต่อเจ้าน้องจะอกะตัญญูต่อแม่หรือพี่โปรดฟังน้องก่อนน้องรักแม่และรู้ซึ้งซึ่งพระคุณแม่ที่มีแก่เราทั้งสองแต่การทําบาปกรรมด้วยการปรองชีวิตฆ่าผู้อื่น เพื่อต่ออายุอีกชีวิตหนึ่งไม่เป็นการควรอย่าว่าแต่จะเอาชีวิตเพื่อต่อชีวิตแม่เลยแม่จะเอาชีวิตเพื่อต่อชีวิตตัวน้องเองก็ไม่ควรเช่นกันหมอและพี่ชาจากนะักรณะต่างนิ่งอึงกับคาพูดของจกนะักรณะลำดับนั้นจักรนณะ จึงเดินเข้าไปใกล้เตียงของมารดาที่นอนป่วยอยู่ยืนประนมมือร้องไห้ทั้งน้ำตาแล้วกล่าวกับมารดาว่าแม่จ๋าลูกรักแม่และรู้ซึ้งซึ้งพระคุณแม่อย่างเหลือล้นแต่ว่านับตั้งแต่การที่ลูกได้เกิดมาโดยชาติจนเติบใหญ่ถึงตอนนี้ ลูกไม่เคยคิดหรือรู้สึกว่าได้แกล้งตลงชีวิตสัตว์อื่นสักครั้งหนึ่งเลยด้วยอนุภาพแห่งศีลและสัจจกิริยานี้ขอโรคภัยของแม่จงสงบลงและบังเกิดความสุขสวัสดีแก่แม่ด้วยเถิด ลำดับนั้นมารดาของสองพี่น้องนี้ก็ได้หายป่วยจากโรคกลับฟื้นคืนสติในทันทีสองพี่น้องเห็นดังนั้นต่างก็สวมกอดมารดาร้องไห้ตื้นตันใจยังความอัศจรรย์ใจแก่หมอที่ยืนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ในครั้งนี้ อุบาสกกับงูเหลือมสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีอุบาสกไม่ปรากฏนามท่านหนึ่งเป็นผู้ตั้งมั่นในไตรสรณะคมมีคุณสมบัติแห่งการเป็นอุบาสกอย่างสมบูรณ์คือมีศีลสมบัติอาชิวะสมบัติไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องกรรม ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาแม้ท่านจะเป็นชาวนาที่ยากจนแต่ท่านก็สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือมีศรัทธาศีลหิริโอตต ป, ปะสุตตะจาคะและปัญญาช้า ว, วันหนึ่งท่านได้ไปทำบุญการกุศลสมาทานรับศีลสิกขาบทในสํานักของพระปิงคลระพุทธระกิตะเทระ ณอัมภริยะวิหารเหมือนดั่งที่ได้ประพฤติเป็นประจำมา เื่เสร็จสิ้นจากการกุศลในวิหารแล้วอุบาสกได้นำโคไปที่นาไถนาอยู่ทั้งคนทั้งโคต่างเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดจึงได้พักหลบแดดอยู่ที่ใต้ต้นไม้อุบาสกได้เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียครั้นตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นโคของตนจึงได้ออกติดตามโคด้วยความร้อนใจ สแสวงหาโคในละแวกนั้นอยู่นานก็ไม่พบอุบาสกจึงคิดว่าสงสั ย, ยมันคงจะเดินขึ้นเขาแล้วกระมังดังนี้แล้วอุบาสกได้รีบวิ่งขึ้นไปยังภูเขาครั้นมาถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่ง เห็นอาการไหวๆของพุ่มไม้นั้นสาคัญว่าเป็นโคของตนอยู่หลังพุ่มไม้นี้จึงได้เปิดพุ่มไม้ออกดูอุบาศกถึงกับตกใจร้องตะโกนเสียงดังโอ้ช่วยด้วยแทนที่จะเป็นโคตัวงามตามที่ตนเองหาแต่กลับเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่มหือมาด้วยเสียงตะโกนที่ดังทำให้งูเหลือมตัวใหญ่นี้ หันมาเล่นงานรัดตัวอุบาศกด้วยหวังว่าจะกลืนกินเป็นอาหารตามธรรมดามีอยู่ว่าใครที่ถูกงูรัดหากยิ่งดิ้นงูก็ยิ่งบีบรัดแรงยิ่งขึ้นอุบาศกคิดในใจว่า มีพระอันคลมกลิบเราก็ได้พกติดอยู่ที่บ่าของเราเราจะบันศีษะงูเหลือมตัวใหญ่นี้เพื่อเอาชีวิตรอดก็ยังได้ก็แต่ว่าการที่เราได้สมาทานรับศีลสิกขาบทจากสำนักของพระเถระเมื่อเชา้านี้เราจะทำลายศีลสิกขาบทเพราะเหตุแห่งชีวิตของเราหาสมควรไม่เราเองก็เป็นที่ใครๆ รู้จักกันทั่วว่าเป็นอุบาสกผู้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาท่านพระปิงฆะพุทธรคิตเถระท่านเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลศิคาบทเราเองก็เคารพนับถือท่านเป็นพระอาจารย์เราผู้น้อมตนเป็นสิทธิจะทำลายศีลที่ได้สมาทานกับท่านพระเถระนับว่าไม่สมควรแกเราเลยเอาละเราจะยอมสละชีวิต แต่จะไม่ยอมเสียศีลสิกขาบทนี้อุบาสกผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงในศีลที่ตนได้สมาทานไว้ได้ทิ้งมีพระอันคมที่อยู่บนบ่าของตนรำลึกนึกถึงศีลของตนที่ตั้งมั่นย่างบริสุทธิ์ทันใดนั้นด้วยอนุภาพแห่งศีลงูเหลือมตัวใหญ่ ก็ได้คลายตัวออกไปณที่นั้นนั่นเองคนงานของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐี ในกรุงโกสัมพีมีเศรษฐีสมคนคือกุกุตตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีและโคสิตะเศรษฐีทั้งสอุปถากบำรุงดาบท5 0หรที่อยู่ในป่าหิมพานในเวลาที่ดาบทเหล่านั้นเข้ามาพักในอุทยานของพวกเศรษฐีเพื่อต้องการอากาศที่อบอุ่นและเสพอาหารรสเปรี้ยวเค็ม วันหนึ่งในฤดูร้อนดาบดเหล่านั้นได้ออกจากป่าเพื่อเดินทางมาในเมืองแต่ได้หลงทางเข้าไปในถิ่นกันดานไม่มีน้ำและอาหารเมื่อสุดทางกันดานได้เห็นต้นไซต้นใหญ่ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเทวดาผู้มีอนุภาพมากองค์หนึ่งพวกดาบดคิดว่าโอ้ชะรอยต้นไซใหญ่นี้ น่าจะมือเทวดาผู้มือศัก์ใหญ่อาศัยอยู่เป็นแน่แท้พวกเทวดานั้นจะให้น้ำดื่มและของบริโภคแก่พวกเราก็จะเป็นการดีเ<น zuk>ทวดารู้อัธยาศัยของดาบทเหล่านั้นจึงได้เหยียดแขนที่ประดับไปด้วยอลังการทั้งปวง ได้บรรดาล น, น้ำและอาหารอันเป็นทิพย์ให้บังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพของตนพวกดาบทก็ได้ดื่มน้ำและบริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญพ้นจากความลำบากและหิวกระหายครันแล้วจึงได้ถามเทวดาว่าโอเขอ่แต่เทพท่านทำกรรมอะไรมาเ อ, อจึงได้สมบัตินี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทุกวันอุโบสถท่านเศรษฐีได้ให้อาหารและค่าจ้างแก่คนงานและลูกจ้างตามปกติโดยไม่ต้องทำงานแล้วให้รักษาอุโบสถศีลเราเป็นคนงานของท่าน วันหนึ่งเราออกไปทำงานในป่าแต่เช้าตรู่โดยไม่ได้บริโภคอาหารเลยได้กลับมาในเวลาเย็นเห็นเรือนเงียบสงดตราศจากเสียงอึกทึกดังเช่นทุกวันจึงได้ถามแม่ครัวแม่ครัวตอบว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถทุกคนรักษาอุโบสถบริโภคอาหารแล้วก็ได้กลับไปเรือนของตนของตนท่านเศรษฐี สั่งให้จัดอาหารไว้ให้ท่านผู้เดียวเราจึงขอให้แม่ครัวไปเรียนถามท่านเศรษฐีว่าถ้าเราจะสมาทานศีลอุโบสถในเวลานี้คือเวลาเย็นจะได้หรือไม่แม่ครัวไปถามแล้วได้รับคําตอบว่าการสมาทานศีลอุโบสถในเวลานี้สามารถจะกระทําได้แต่ไม่เป็นอุโบสถทั้งหมดเป็นอุโบสถกึ่งหนึ่งเท่านั้น เราฟังแล้วก็ไม่บริโภคอาหารบ้วนปากสมาทานศีลอุโบสถแล้วกลับไปยังที่อยู่เข้าที่นอนคืนนั้นลมได้กำเริบเพราะไม่ได้บริโภคอาหารมาทั้งวันพอเช้ามืดเราก็ได้สิ้นใจมาบังเกิดเป็นเทพพบุตรอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ต้นนี้ด้วยผลของการรักษาอุโบสถครึ่งเดียวนั้น พอพวกดาบทฟังว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเกิดปิติปราโมทคิดอยู่ในใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้คำนี้ความหมายนี้ได้กระตุ้นจิตใจเบื้องลึกของเราเป็นอย่างมากนับว่าเป็นบุญของเราโดยแท้ที่จะสามารถมีโอกาสได้พบกับพระพุทธองค์ ดังนี้แล้วพวกดาบททั้งหมดจึงได้ออกเดินทางจากโดงกันดานนั้นมุ่งหน้าไปสู่กรุงโกสัมพีตั้งใจจะบอกเรื่องการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแก่พวกเศรษฐีผู้มีอุปการะแก่พวกตนครั้นไปถึงและบอกเนื้อความนั้นแก่เศรษฐีทั้งสามแล้วก็รีบร้อนจะเดินทางต่อไปเศรษฐีทั้งสามจึงได้ถามว่าพระพุทธองค์ ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านยังไม่ต้องรีบร้อนไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ยังได้นาะรออีกสักสองถึงสมเดือนแล้วค่อยไปเถอะนะเพราะว่าพวกท่านเนี่ยก็ได้เคยพักอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนบ้างสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างแล้วค่อยไปก็ยังได้ด้าวทั้งหลายตอบว่าอพวกเราไม่อาจรู้อันตรายแห่งชีวิตมาจะมาถึงเมื่อไรได้เลย เหตุนั hmm. ้นเนี okay. ่ยเราจึงต oh <t D: S 2> ้องรีบไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพวกเศรษฐีขอให้รอเพื่อจะได้เดินทางไปด้วยกันดาบดก็ไม่ได้คอยได้ล่วงหน้าไปก่อนจนถึงกรุงสาวัตถีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารฟังธรรมกถาอันไพเราะแล้วได้สัทธาออกบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด ฝ่ายเศรษฐีทั้งสามได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในภายหลังได้ฟังธรรมจากพระศาสดาแล้วได้ถวายมาหาทานทุกวันตลอดกึ่งเดือนแล้วกราบทูล น, นิ ม, มนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังกรุงโกสัมพีของพวกตนเมื่อพระศาสดาทรงรับนิ ม, มนต์แล้ว พวกเศรษฐีจึงได้กลับไปกรุงโกสัมพีระหว่างทางได้สร้างวิหารไว้ทุกๆหนึ่งยอดได้บริจาคทรัพย์เป็นอันมากสร้างวิหารลงในอารามของพวกตนพวกตนให้เป็นที่ประทับของพระศาสดากุตกุตะเศรษฐีสร้างกุตกุตารามปาวาริกะเศรษฐีสร้างปาวาริกกรรมพวันในป่ามะม่วงโคสิตะเศรษฐีสร้าง โคสิตารามนี่คือเรื่องของคนงานของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้รักษาอุโบสถเพียงครึ่งเดียวก็ยังได้รับอานิสงส์อนงดงามเช่นนี้ สือธรรมะชุดพระรัตนตรัยและอุบาสกผู้มีศีลเป็นที่รักที่ท่านรับฟังอยู่นี้ได้ค้นคว้าและเรียบเรียงจากแหล่งอ้างอิงดังนี้ 1. พระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวักพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยเล่มที่26หน้าที่481 2. อังคุตรนิกายเอกนณิบาททุกนิบาด พระไตรปิฎกฉบับมหาเมกุตราชวิทยาลัยเล่มที่33หน้าที่334 3. หนังสือไตรสรณคมโดยมูลนิธิปราณีสำเริงราชสำนักปฏิบัติธรรมวิวัตตะวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน 4. หนังสือคุยกันวันพุธโดยอาจารย์ประณีตก้องสมุต เนื้อหาได้มีการเรียบเรียงดัดแปลงสำนวนคำพูดเพื่อความเหมาะสมในการจัดทำสื่อชุดนี้จึงต้องกราบขออภัยด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะและผลิตสื่อธรรมะของรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตมณะโอกาสนี้ด้วยนะครับโปรดติดตามผลงานสื่อธรรมะจากรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผู้ใดสนใจสื่อธรรมะชุดต่างๆของทางรายการโปรดติดต่อมาได้ที่ สนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตตู้ปน5ห้าพระขนงกรุงเทพหนึ่งโทรศัพท์หมายเลข0 2 7 4 2สอง0สสองสี่หนึ่งสองขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ